ความสุขความเจริญจะมีดท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้จะเสนอเรื่องประวัติของระตปาลเถระในช่วงที่ท่ันใ์ไแบดงสัจดกแห่งชีวิตจะเรียกว่ า, าวธรรมุเทศแก่พระเจ้าโกราประยักษ ซึ่งท่านได้คุ้นเคยมาก่อนเพราะเป็นผู้ปกครองเมืองที่ท่านเป็นบุญเสถีอยู่เพราะความที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นก็คือว่าอตาตมาาพเผิดมนุษย์ทั้งหลายผู้มีทรัพย์สมบัติในโลกได้ทรัพย์มาแล้วไม่ยอมให้ทาน ก็วความรุ่งหลงความโลภย่อมทาการสะสมแต่ทรัพย์สมบัติการปรารถนาการทั้งหลายยิ่งขึ้นไปพระราชาผู้สมกดขี่เอาชนะเขาได้ตลอดแผ่นดินแล้วครอบครองแผ่นดินซึ่งมีทะเลเป็นที่สุดอยู่ก็ไม่ได้ส น, นิท เพยงฝั่งทะเลครั้งนี้ยังปรารถนาถึงฝั่งข้างั้งโน้นอีกราชาละมนุษย์เหล่าอื่นเป็นอันมากเพื่อยังไม่สิ้นความสยานยากยอมึงความตายรวมต้องทิ้งร่างกายไปทั้งทัง ท, งที่ยังพร่องอยู่แท้ก็ยิงด้วยกามทั้งหลายยอม อันนี้ก็ตรงไปข้อความสั้นๆที่ท่านกล่าวว่าโลกคือมูสัตอันชรานำไปใกล้ไม่ยังยืนโลกคือนำไปสู่ความตายโลกคือมูสัตทั้งหลายไม่เป็นไม่ไม่มีพุท ด, ดันทานไม่เป็นใหญ่สกตนแล้วก็โลกพล้อง อยู่เป็นนไม่รู้จะอิ่มแห่งกัมหา เ, าเ่าแสดงว่าเป็นความรู้สึกสากลของสัตว์ทั้งหลายคือแสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่าแบบใดที่เรายังเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์ที่คล่องอยู่ในกามพฤติกรรมต่างๆมันคงจะเลื่อนไหลไปตามกระแสของโลกโกลลหลงอยู่เหมือนเดิม ว่าจะยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามแม้ในปัจจุบันเราสังเกตเห็นว่าความรุนแรงต่างๆภายในสังคมโลกมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นสืบสวนไปสืบสวนมาทางไปทำมาก็ล้วนแต่มาจากโลกปด ล, ลง อาการของความโลภ ก, ก็ดีความโกรกก็ดีความลงก็ดีมีที่นลเหนือจิตใจของคนจนไม่สามารถจะตอบสนองได้แต่ละคนก็ยังคร่องอยังไม่เต็มยังไม่อิ่มยังไม่พ อ, อยังไม่หยุดในการสุดนยยั้เก็ถึงรับประายไป ในทั้งสรุปว่าความอิ่มด้วยกามย่อมไม่มีในโลกนี้เลยพระเจ้าเคยอุปมาว่าแม้จะสามารถอธิษฐานให้ฝนตกหลังลงมาเป็นกหาปณะคือเป็นเงินเป็นทองมากมายกายกองอย่างไรก็ตามแต่ก็จริงแล้วคนก็ไม่อิ่ม ด้วยความปรารถนาในสิ่งต่านั้นก็ทุกข้อทุกท่ายกระทงความที่พระเทร่า ก, กล่าวกล่าวมาสองพันห้ารอยกว่าปีที่แล้วนะฮะแต่ว่ายัางทุกวันเนี่ยมันก็เหมือนเดิมทุกๆข้อประการต่อไปท่านกล่าวว่าอันเดิงญาติทั้งหลายผากันขยายผมค้ำคูนถึงคุณนั้นว่าเท่าเอ๋ยมาตายเสร็จแล้วหน่อ ดังนี้พรางเอาผ้าห่อเขานําขึ้นสู่เชิงตะกอนแต่นั้นก็เผากันไปภูนั้นถูกขาเผาถูกแทงด้วยเหลาอยู่ลาพวกกระสมบัติไปมีเพียงผ้าพื้นเดียวไม่ว่าญาติไม่ว่ามิตรไม่ว่าสหายทั้งหลายที่จะเป็นผู้ตั้งทานเขาผู้ตายไปไว้ได้เนี่ยไม่มีเลยขอร้องเดียวก่อนค่อยก่อน พระยาสุมุปมาว่ามันเหมือนกับภูเขาที่กลิ้งมาจากทิศทั้งสีชีวิตแต่ละชีวิตนั้นก็อยู่ในวงล้อมของภูเขามันก็ถูกภูเขาทับตายไปเพียงแต่ว่าใครจะตายก่อนจะตายหลังเท่านั้นแต่ ว, ว่าตายแน่ทีนี้ต่อจากนั้นมันก็เข้าสู่วงจรเดิม เราทายาทของเขาก็พากันขนอทรัพย์ของเขาไปส่วนผู้นั้นก็ไปตามกรรมที่ทําไว้ทรัพย์อะไรๆย่อมไม่ติดตามตนติดตามคนตายไปได้เลยไม่ว่าบุตรไม่ว่าปัญญาไม่ว่าทรัพย์รวมถึงแหวนแหวนที่เขาครอบครองอยู่ก็เป็นการกระตุ้นเตือนแจะโ ก, กรับระยะไปด้วยในขนาดเดียวกัน พระเราจะได้อยุยืนเพราะซับกว่าหาไม่จะลักความแก่ได้ก็เพราะซับกว่าหาไม่เมื่อปลาทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตนี้สั้นนักไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเราจะเป็นใครก็าตามทั้งคนมั่งมีทั้งคนยากจนจมไรสัมผัสกับความตายด้วยกันทั้งคนง้อทั้งคนสลาด ยังสัมผัสความตายเช่นเดียวกันแต่พลคนโม่พอถูกความตายสัมผัสเข้าย่อมนอนผวาเพราะข้าวที่คนเป็นคนโม่ส่วนคนฉลาดนั้นถูกความตายมาสัมผัสเข้าย่อไมห่หวั่นไหวอันี้คือปัญหาสำคัญว่าชีวิตเนี่ยมันอยู่ที่เรารู้ถทาสันต่ำความเป็นจริงของมันหรือไม่เราลองดูตัวอย่างง่ายๆในปัจจุบัน คนเราบางคนคืออยู่ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แท้ๆก็เรียกว่าอยู่สักวะลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเองอาหารก็ต้องกินสั่งสายอย่างการขับพ่ายเป็นต้นก็ต้องอาศัยคนอื่นเข้าช่วยงานน้ํำชำระร่างกายก็ต้องอาศัยคนอื่นเข้าช่วย ที่แสดงว่าเขายังมีชีวิตอยู่ก็คือยังมีลมหายใจอยู่แต่ถ้าทอดสายยึดยุงโหลดนั้นออกมันก็ตายแต่คนที่เขาฉลาดนี่เป็นจำนวนมากที่ไม่ยอมให้เขาใสา่สายเหลดนั้นปลดลงมันไว้ก่อนเมื่อท่านแน่ใจว่าท่านจะตายแล้วก็ถอดสายเหล่นั้นออก แล้วก็ตั้งสติทาใจให้สงบรู้ถึงมุญกุศลคือุณงามความดีทั้งหลายที่ตนได้ก็ทําเอาไว้พร้อมที่จะแตกดับไปทุกคนเพราะในแง่ของความเจริงแล้วการตายในชีวิตแต่และชีวิตมันเป็นสมมติบรณะคือสมมติเอาว่าตายต่แล้วก็เกิด แต่แล้วก็เกิดแต่แล้วก็เกิดมันไม่ใช่อุปะเฉพาโมรณาคือตายขาดไปเลยหมายความว่าทำลายเงื่อนไขในการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างพระอาจารตั้งหลายนี่เรียกว่าตายจริงคือหมายความว่ า, าเหตุปัจจัยที่เคย งท่านในหมุนวนอยู่ในสังษารวัฏอย่างพระตาราลัอิโต้โดยเห็นว่าประวัติของท่านที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ศา ส, สนาพระพุทธเจ้าสุวระนามปตุมุตระก่อนหน้านั้นเลยตํำไปแล้วที่ท่านนำมาเล่าเนี่ยก็พบพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งคือพระพุทธะพุทธเจ้า อ น, นิสัยความโน้มเอียงภายในใจที่ใส่ใจในกองบุญกองกุศลในชานั้นก็เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นกุศลของพระเจกุมารสองพระองค์สามพระองค์ซึ่งเป็นราชานั้นก็เป็นพระรจชบิดาของพระอุษาพุทธเจ้า เราทำเาะชาติของท่านมันระนนี้ขึ้นแต่เราก็เห็นว่าท่านจากสวรรค์แล้วก็มาเกิดในโลกมนุษย์ก็แสดงว่าตอนที่เกิดบนสวรรค์ก็บุญกุศลก็ต้องสูงกว่ามาเกิดในโลกมนุษย์มาเกิดในโลกมนุษย์ ด, ษด้วยบุญกุศลระดับพิเศษก็เป็นเหตุให้เกิด เป็นลูกมหาเศรษฐีเพียงคนเดียวลูกโทนคนเดียวแน่นอนก็จะเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติจำนวนมหาศาลแต่ท่านก็มองเห็นความจริงของชีวิตอย่างที่ท่านได้ถวายให้พระเจ้าควรรับพระยาทรงทราบบอวก็จริงใครก็เอาอะไรไปไม่ได้มากอย่างไรก็ตามโง่ก็ตามฉลาดก็ตาม แต่ก็มีประเด็นที่ท่านชี้เห็นความแตกต่างว่าคนมู่นนั้นจะกลัวความตายจะสะดุ้งจะหวาดผวาจะวิตกกังวลจะเครียดยามที่ความตายมาถึงเขาไม่ทำใจสงุกแต่ว่าท่านที่ได้เตรียมใจอะไรไว้เรียบร้อยแล้ว เราก็พบคาราวาสเป็ น, า น, นามากเขาเรียกว่าตายสวยก็บูชาอะไรกันนิดๆหน่อยๆก็ลกแล้วก็บอกลูกว่าพ่อจะไปก่อนนะหรือบอกลวกหน้าว่าพรุ่งนี้พ่อจะไปแล้วนะแม่จะไปแล้วนะนั้นก็สแสดงว่ามีปัญญารู้เท่าทันว่าความจริง ชีวิตมันเป็นอย่างนี้เองเราก็ต้องตายแน่นอนแหละมีต้องไปเสียดายร้องหบร้องไห้ปริเวณนาการคำควรอะไรกับมันเพระเาะที่เอาเสียจไปมันก็แคนั้นเพื่ออะไรไว้ไม่ได้ไม่มีใครต้านทานป้องกันไปได้ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าไม่มีใครสามารถป อ, องผัดเพี้ยน ต่อพระพญามัรุราชพผู้มีเสนาใหญ่ได้เกิดแล้วก็สรุปชี้ประเด็นว่าคนควรจะพยายามหาสาระแก่นสารจากการได้เกิดมาชัดนคืออย่าลืมมากางการได้ตั้ภาพมาเป็นมนุษย์มที่จริงไม่ใช่ง่ายนะเพราะมันเป็นเรื่องขนาดจิตก่อนดับเราไม่รู้ว่ากัมอะไรจะมาให้คน โรแกรมติดติดตามมาเรานั้นก็มีเป็นนันมากมีกรรมหนักมีกรรมหนักรองลงมามีกรรมเบาแล้วก็มีกรรมเมื่อจูนจะดับจิตที่เร็วอ่านสันนกรรมตอนตอนก่อนจะดับเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจิตอะไรมันจะผุดขึ้นดังนั้นพระอจึงบอกว่า เปลนั่นแลปัญญาจึงไปเสกขวาทรัพย์หมายความปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันไปทํำลายตัวโมหะหมายความปัญญาสูงเท่าไหร่เนี่ยโมหะจะลดลงทขนั้นทีนี้เมื่อโมหะมันลดลงพวการาคาพวกโลภะพวกโทสะพวกโมหะก็จะลดลงวันก่อนนี้หลานเข้ามาคุย เขาพูดถึงครอบครัวเขาที่ตอนนี้ก็มีแต่แม่พ่อตายไปแล้วแล้วเขาบอกว่าแม่เขานี่เป็นแม่ที่สบายที่สุดเพราะลูกนี่เปลี่ยนเวนกันไปอยู่แม่เฝ้าดูแลอุปะถะมภ์บำรุงแม่แล้วก็พูดถึงน้องก็คนหนึ่งซึ่งบวชเป็นชี จบเป็นยาทํางานบริษัทขนาดใหญ่นะครับวันดีคืนดีแม่บวชกุศลกุศลให้พ่อเดยทุกวันก็ไม่ยอมศึกเวลาเข้ามาดูแลแม่เนี่ยก็จะชวนแม่ไหว้พระสวดมนต์ก็ชวนแม่นั่งกรรมาฐานเดี๋ยวนี้ก็ปรากฏว่า เริ่มพุนเริ่มพอใจเริ่มสนุกกับการสวดมนต์ไปแล้วความโน้มเอียงของน้องเขาคนนี้ยวามโน้มเอียงมาตั้งแต่เด็กๆมีความโน้มเอียงไปในเรื่องบุญกุศลเนี่ยไปตั้งแต่เด็กๆมาเองรู้สึกชื่นชมพวกห ล, ลานๆเดินเนี่ยพวกห ล, ลานๆพวกพี่ๆลูกพี่ลู ก, ลกน้องกันเนี่ย แต่ละครอบครัวมันจะมีคนสองคนเหลือหันก็หาศาสนาแล้วถ้ารุ่นแม่รุ่นพ่อไปเนี่ยรุ่นลูกจะไปอย่างมากคนเนี่ยเล้วก็ทตุ่มเทอยู่การศึกษาอยู่กับการปฏิบัติมาขอดีๆจากธรรมมาไปไปฟังเนก็ประมาณ ก็เท่ไรหลักเก้าร้อยกว่าหรือพันเป็นพันชั่วโมงนะครเป็นพันชั่วโมงววมแล้วฟังแล้วฟังอีกเขาก็บอกว่าคาังมันทุกอยาบทนองทำงานก็ฟังได้กินข้าวก็ฟังได้นอกจากว่าเจริญกรรมฐานบางทีเจริญกรรมฐานก็นั่งฟังไปด้วยื่อยใจป็นรวมด้วยบทของธรรมะเหล่านั้น ความรู้สิกชื่นชมมันหมดทังตอนนี้คนหนึ่งก็ไป น, นัางเที่ยวประเทศอินเดียแหละนำคนไหว้พระในอินเดียเอาทำไปทามาปรกกากฏว่าลูกสาวทำงานบริษัทใหญ่นะเวลาเป็นคราวๆไปนั่งสมาธิที่พุทธกายาไปอาศัยในวัดไปอยู่กับแม่ชี หลังสมาชิกนี่ก็แสดงว่าเขามีใจเน้มเอีงไปในทางนั้นก็เป็นเรื่องที่ควรแกการนั้นโงทนาชิชมยน ด, ดีของคนทั้งหลายทีนี้ทรัพ์เนี่ยมันก็เขาเรียกว่าเป็นสาธารณะปัญญาเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวใครตัวมัน หมาความใครพัฒนาปัญญาขึ้นไปได้มากเท่าไรมันก็เป็นเรื่องของคนนะี่เป็นเรื่องเฉพาะคนนะี่เราพัฒนาขึ้นปัญญาขึ้นไปแล้วราคะลดไหมโทรศัลดไหมหรูหราลดไหมมันก็อยู่ที่ปริมาณของปัญญาที่เพิ่มขึ้นอาจจะลดมากหรือลดน้อยก็ตามสมควรแก่กรณีนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่ เราเทียงกันบ่อยนะะแต่ก่อนในสมัยที่มีการโต้วาทีกันทรัพย์กับปัญญาอะไรก็เสื่อมกว่าคือเราอย่าลืมว่าทรัพย์เนี่ยเราไม่มีแต่เรามีปัญญาในเราหาทรัพย์ได้แม้เป็นนี้เป็นศีนก็สามารถจะดเรื่งนี้สีลได้แต่ถ้าเราขาดปัญญาแม้มีทรัพย์บางทีเราก็รักษาไว้ไม่ได้ ระดับเสียหายไปสูญไปบางทีคนลูกระดับรับลูกของเศรษฐีนะฮะก็กลายเป็นคนยากจนเพราะบริหารทรัพย์ไม่เป็นรักษาทรัพย์ไม่เป็นพระเจ้าก็ทำไนให้เลือกแต่ท่านก็บอกอ่ะมีมิจฉัยไว้ให้บอกว่าปัญญานั้นกว่าเสื่อกทรัพย์ เหตุที่ท่านชีน้นี่ท่านชี้ตามที่ท่านสัมผัสเพราะท่านเห็นว่าการบรรลุมรรคผลนิพพานของท่า น, นมันเกิดขึ้นจากปัญญาเพราะว่าพระนิพพานในโลกนี้ก็ยังไม่บรรลุถึงพระนิพพานคนนี้ต้องทำบาปกันมาก คือตะับใดที่ปัญญายังไม่สมบูรณ์คือไม่ต้องสมบูรณ์มากเท่าไหร่หรอกเอาขนาดว่ามีปัญญาบริหารตนได้มีปัญญารักษาตนได้มีปัญญาคุ้มครองตัวเองได้มีปัญญาระดับทิฏฐิสัมปันโนคือสมบูรณ์ด้วยความคิดเห็นที่ถูกต้องตวามครดมองของธรรมเท่านั้น มันก็ปิดกั้นประตูของอบายได้ปิดประตูนรกปิดประตูเปรตปิดประตูอสุรกายปิดปิดประตูสัตว์เดรัจฉานได้เึื่อเกิดเป็นคนก็เป็นคนที่มีสติปัญญามีเหตุมีผลครองชีวิตอย่างมีเหตุมีผลใช้ชีวิตอย่างมีเหตุมีผลได้แม้จะโลกก็ไม่ถึงได้อยากได้ของก็บุคคลอืน่น แม้จะโกรธบ้างก็ไม่ถึงถ้าอาฆาตพยาบาทใครแม้จะผืไปบ้างเขาไปบ้างไม่รู้บ้างแต่ก็มีสติสุดคิดมีปัญญาเป็นเครื่องมือในการค่อยๆคิดค่อยๆแยกแยะค่อยๆวินิจฉัยกันไปก็เพิ่มพูนขึ่นปัญญาไปทีเดีปัญญาจึงเป็นสุดยอดของชีวิต พระวิ้าสงแสดงว่าปัญญาจีมีจีมีตมมาหูสิทั้งชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญานั้นเป็นสุดยอดของชีวิตดังนั้นพอมาเทียบเคียงแล้วเราก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าไม่ว่าในภพชาติไหนก็ตามหรือคนนั้นจะเป็นใครก็ตาม กับใดที่ยังไม่ทำปัญญาให้สามารถประยงตัวเองได้ก็ต้องท่องเที่ยวไปในพบน้อยพบใหญ่เพราะอั น, นาจของความหลงท่านบอกว่าสัตวโลกผู้ทำบาปได้ไววย่อมเรียนไหวตายเกิอดอยู่ร่ำไป ยอมเข้าถึงกำเนดมนุษย์บ้างโลกอื่นบ้างผู้มีปัญญาน้อยยอมเชือ่อสัตว์โลกทั้งหลายยอมจะเข้าถึงกำหนดมนุษย์บ้างโลกอื่นบ้างนี่คือคือเราจะเห็นว่ามันเป็นเอาเอาเฉพาะคาถาบทนี้บทเดียวนะถ้าว่าสังคมเราปัจจุบันจากประเด็นตรงเนี้ย แต่ประเดนตรงนี้ว่าถ้ า, าเราทำบาปรกรรมก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เวียนว่ายเวียนเกิดอยู่เวียนตายเวียนเกิดอยู่ตลอดไปแล้วการเวียนว่ายเวียนเกิดเนี่ยเราก็เอานิยายอะไรไม่ได้เราจะเกิดเป็นใครเป็นอะไรเป็นที่ไหนเป็นอย่างไร เรงราวเหล่านี้มันมีมากมายไก่กองก็คือมีพัฒชาติของมนุษย์มันเปลี่ยนแบบหลับและเลื่นขึ้นหมายความมันก็อยู่เป็นคนดีเดียร์ายเอาไปเกิดเป็นสัตว์ได้เอาไปตกนรกได้ไปเป็นเปรตได้เป็นนสุรกายได้ดีต่างว่าเนี่ย ตีต่างว่าใครสามารถนำทางไปเที่ยวปาราโลกได้นำไปเที่ยวไ้เห็นปาราโลกลดูแล้วคนน่าจะเชื่อหมดนะแต่คนส่วนหนึ่งจะไม่เชื่อมันก็บอกโอ้ยเล่นสะกดจิตเล่นมายาคนสะกดจิตเอาไม่จริงหรอก เดี๋ยวนี้รังเขาขนาดเป็นงานวิจัยแล้วนะแต่ครังเขาก็คิดตามศาสนาของเขาตามวิธีวิธีการของกาเนิดชีวิตส่วนใหญ่ก็อยู่พวกแพทย์พวกพยาบาลก็ศึกษาคนา้นคว้า แต่ภาในสกดจิตนะฮะก็ทำให้คนสามารถรลึกชาติได้เวรนี้ก็ไปตั้งสลายหกสิบกว่าชาติละถ้าเป็นเรื่องแปลกที่ว่าคนกลุ่มนี้เขาที่ร่วมกิจกรรมกันปรากฏว่าเคยเกิดร่วมกันในพรชาติต่างๆนี้มากมันก็สแสดงอีกประการหนึ่งให้เห็นว่า ต้ากว่าบาปบุญมันใกล้เคียงกันหรือเสมอกันคนก็เกิดใกล้เคียงกันเกิดเสมอกันได้ตามบาปตามบุญที่บุคคลเขากระทำเอาไว้แล้วก็อาจจะเกิดโรคอื่นบ้างโรคนี้บ้างผู้มีปัญญาน้อยก็จะ ยอมเชื่อสัตว์โลกนั้นว่ ย, ยอมจะเข้าถึงกบเนิดมนุษย์บ้างโลกอื่นบ้างคือมาความถ้าเชื่อว่ามันมีกรรมมันมีสังสารวัฏความเปลี่ยนแปลงในการเวียนว่ายไปเกิดของเรานั้นก็ขึ้นอยู่กับกรรมของเราจะเปลี่ยนแปลงสังสารวัฏนี่มันเป็นยังไงมันก็อยู่ที่เรามีความประพฤติยังไงมีการปฏิ บ, บัติตนยางได แล้วท่านก็กล่าวว่าโจรผู้มีบาปถูกเขาจับได้ในที่เกิดเหตุย่อมเดือดร้อนเพราะการกระทําของตนฉันัใดประชากศาสตร์ผู้มีบาปพังว่าโลกนี้ไปแล้วย่อมเดือดร้อนในโลกหน้าเพราะกรรมของตนฉันนั้นอันนี้ก็อย่างเรื่องที่เรารู้นะว่า ข้าก็มันมีบัญชีอยู่แล้วก็มีการจารึกความดีความชั่วของคนอยู่พอเมื่อตายไปแล้วาบาปมันแรงบุญมันแรงมันก็ไม่ต้องถึงว่าจะตินใจอะไรก็ไปตามบุญตามบาปที่ตนได้กระทำเอาไว้ แต่ถ้ามันยังใกล้เคียงกันยังสับสนก็ดูมันก็ต้องมีการสวจสอบแล้วก็มีการตัดสินบอกสถานที่ที่เขาจะต้องไปอยู่ประก ร, รนั้นนั้นนั้นนั้นทั้งหมดไปเรามีหนังสือแนวนี้เยอะมากแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นขราวาดเขียน คือพาะก็ไม่เคยได้เขียนแต่ถาพราะเขียนก็ต้องเขียนตามพระไตรปิฎกคืเราก็ไม่มียานอย่างรู้ขนาดนั้นแต่ว่าเราก็เล่าข้อความจากพระไตรปกแต่พระเทวานั้นเป็นประสบการณ์ตรงที่ญยาดหมายความมันทำเล่าอย่างที่ตัณหเห็น รู้แตเน้นมายัางไงและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือตรงกันหมดทุกองค์พูดเรื่องอะไรก็ตรงกันเพราะว่ารู้อย่างเดียวกันแล้วก็รู้เท่าเทียมกันที่ต่างว่าพระเจ้ากลัวรับพญาฟังแล้วก็ยังคองใจสงสัยก็นำไปการาบผมถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็คงสแสดงด้ยธรรมนองเดีวยวกันนล แล้วก็บางทีก็ยกไปเลยว่าก็เป็นความจริงอย่างร ท, ที่รัฐบาลเขาเล่านัน่นแหละแม้ตาข่าโคตจะเล่ามันก็ก็เล่าเหมือนกับที่รัฐบาลเขาเล่าเพราะบังกฎของความจริงความจริงมันมีอย่างเดียวเมื่อคนหนึ่งไปเล่าความจริงคนอื่นเล่ามันก็ต้องเอาเล่าความจริงตรงนั้น โดยจึงพวกาหลลัก์รำเนี่ยก็ซ้ำบ่อยถามว่าทำไมมันทำมันก็อีกแหละพี่ว่าผลที่ออกมาเป็นความเดือดร้อนในระดับต่างๆในขณะนั้นๆในขณะต่อไปในพชาติต่อๆไปในน ร, รกหรือแม้เป็นชุดในสวรรค์มันก็ไปยึดโยงอยู่กับความดีความชัว่ว คอามีความชั่วมันก็ไปยึดโยงกับปริมาณของกิเลสปริมาณของกิเลสมันก็ขึ้นอยู่กับความการมีความรู้สึกต่ออารมณ์ที่เราสัมผัสในขณะนั้นเราจึงพบคําสอนที่เกี่ยวกับอินทรีย์สังวรนี่อยู่เยอะเราทํายังไงจะสํารวรระวังอินทรีย์บ้าง อ ย, อ, ยอย่าปล่อยความโลภความงำมากเกินไปอย่าปล่อยความโกรกความงำมากเกินไปอย่าปล่อยความหลงครามงำมากเกินไปพยายามรักษาใจอย่าไม่มีอะไรก็เป็นขนะขณะดจะเป็นคราวคราวไปเมื่อมีแงนนวออกนนแงกระตุ้นในตัวกิเลสก็พยายามเอาชนะมันแรงกระตุ้นในเตัวกุศลธรรมก็พยายามที่จะน้องนํา พยายามปราการประคองรักษาไว้ไม่กุศลละธรรมเราดังเสื่อมไปเพราะนั้นเราเจนว่าโจรเนี่ยมันก็เห็นกันว่ า, าก็จับแต่ว่าบางทีมันก็ยุ่งนะคือบ้านเราเวลานี้บางทีเนี่ยความผิดมันต้มๆมันก็รู้มันก็เห็นกันอยู่ ภาพถ่ายก็มีในโทรทัศน์ก็มีในอะไรหนังสือพิมพ์ก็มีอะไรก็มีภาพมัาเหมือนๆกันแ้วทำไมมันมีปัญหาพราคนผู้หนึ่งทำกรากฏว่าผิดคนผู้หนึ่งทำปรากฏออกมาผิดนี่มนเรื่น่ากลัวนะ คือวันก่อนไปบรรยายอบรมใ ห, ให้สานุทรเขาฟังถึงการตุลาการคือการพิพากษาการตัดสินตามวิตรีของพุทธแล้วก็เล่าเรื่องกดของกรรมให้เขาฟังแล้วก็พูดถึง เปตตันหนึ่งเป็นนัตีผู้ภาคสารกินชิ้นบาทรา่าชิ้นบุญกับอิทธิการต่างๆทั้งสากตายไปก็กลายเป็นนรกตกนรกก่อนแล้วต่อมาก็มาเกิดเป็นเปรตมันหิวโหวยทรมาณมากๆแต่ก็ไม่สามารถจะกินอะไรได้ มีเล็บยาวแล้วก็ควักเอาเนื้อข้างหลังตัวเองมา ก, กินเป็นอาหารก็ได้ยิงก็เคยพบเคยพบเรื่องเปรตที่มีลูกอัญทัใหญ่ไปไหนก็ต้องแบกลูกอัญทัไปกพก็นั่งไม่ได้ระบบจะนั่งก็นั่งเูาบนลูกอัญชานนั่นแหละ ท่านก่อก็ไปเจอหนังสือเรื่องไกด์ภูมิปร่วมติปรากฏว่าท่านก็เล่ารื่อเปรดตัวนี้ไว้เหมือนกันคนที่ฟักเนื้อหลังขอตัวเองมากินเพราะเรื่องเปรตสองตนนี้ก็นึกถึงการนิพพาทธสาอัตากค ด, ดีทั้งหลายบอกว่้ถ้าคนหล่นนี้เขาเชื่อนะม เพื่เรื่งบาปเป็่อบุญก็จะเป็นบุญกุศลแก่เขาไม่น้อยเป็นความยุติธรรมต่อโลกต่อสังคมต่อชีวิตไม่น้อยไม่น่าจะเห็นแก่ถึงไม่น่าจะตกอยู่ไายาต้หน้ากากิดีมาเาสีย่ยงกับชีวิตข้างหน้าซึ่งมันยาวนานแสนนานไม่รู้เราจะอยู่อีสัจีกับที่กักนนะ โอกาสที่จะบรรลุนิพพานเนี่ยไม่ใช่เร่อง่ายๆเกิดมาเป็นมนุษย์จึงเป็นของยากอยู่แล้วการบรรลุมรรคผลนิพพานยิ่งยากใหญ่เลยท่านบอกว่าประชาตสัว์ผู้มีบาปรำใาโลกนี้ไปแล้วย่อมเดือดร้อนในโลกหน้าเพราะกรรมของตนฉะนนั้น อันนี้พระย่าก็สรงแสดงไว้ในธรรมบทหลายแห่งเป็นบุคคลผู้ทําบาปรกรรมเอาไว้ย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ล้างโลกนี้ไปแล้วย่อมเดือดร้อนเขาย่อมเดือดรอนในโลกทั้งสองเพมองเห็นว่าตนได้ทําบาปไปปัญหาสำคัญว่าทําอย่างไงคนจะกลัวบาปเีืนี้เรียกว่า ก็นานๆที่เราจะพบว่าการกล่าวคาถาแล้วอธิบายก็เป็นหน้าหน้าเลยก็ส่วนใหญ่แล้วเวลาเทศในพระสูตรมันก็มีพระสูตรยาวๆนะแต่ว่าในที่นี้ท่าน เ, าเน้นไปเป็นจุดๆตอนนี้ก็มาอยู่ที่เรื่องบาปกับเรื่องบุตร แล้วก็กลับมาสู่ตัวสภาพปัญหาที่พระเจ้ากรุรอหพยะเรียนถามท่านเรื่องเอกของการบวชต่างๆบวชพราะแก่บวชราะขาดญาต์เพรขาดทรัพเพราะอะไรๆต่างๆที่ท่านเคยพูดก็เห็เนมาแต่ว่ารัตบราลัรัตบาราะนั้นไม่ขาดอะไรสักอย่างบวชทําไม แล้วก็อบอกว่าก็เห็นโทษของการามกลับมาท่านอธิบายว่าความจริงการามทั้งหลายไม่จิตมีรส อ, อร่อยมาใหเดิมใจนั้นคือสมากชาวโลกแน่นอนก็ไม่ไปเสด็จกันประชาโลกสยบติดกำมัดเพลินชื่นชมยินดีอยู่กับสิ่งเหล่านี้น แต่เมื่อเราใช้ปัญญาเข้าไปขบเจาะเข้าไปคิดเข้าไปพิจารณาบางคนบางคนแม้แต่เนี่ยแม้แต่พวกเ็าเรียกว่าบัณฑิตลาพจนเนี่ยโพ ธ, ธิสึขไปเนี่ยตอนที่แกตับสินใจสุดเนี่ยคงจะคิดยังไงก็ไม่รู้น ะ, ะเราเคยผ่าม แต่ว่าบางคนก็ไปอยู่เป็นโซดไม่ยอมีเครอบครัวถ้าชีวิตเปิดสมถะสมถะเรายังไม่แต่งงานนะเราคงไม่แต่งแต่เราก็ไม่ไปซักไซรายเรียก อ, อะไรเาหรอกนี่ก็แสดงให้เห็นว่ามันต้องไปพบเห็นไปเข้าใจความจริงที่นอกจากจินตนาการตัวเอง ว่าอะไรก็ตามถ้าแนวจินตนาการแล้วมันหรูเลิศนะแต่ไปประสบพบเห็นก็จริงๆแล้วก็จะเข้าใจจะมีความชัดเจนขึ้นในเรื่องเหล น, นก็ไม่ได้หมายความกระจุเจอะเฉพาะตจวตงเรื่องเพศนะคำว่า ก, กามนี่นที่ทนบอกว่าวิจิตมันก็หมายถึงรูปมีรสอร่อยก็หมายถึงรส น่ารืนรมก็หมายถึงถึงกลิ่นถึงรถถึงสัมผัสถึงอารมณ์ทั้งหลายนี่มันก็น่าลืนร่มนั้นยอมย น, ย, นยีนยนจิตใจด้วยรูปลักษ์ต่างๆประการมารประผิดก็ต้างมาผหญผินโทษในกามทั้งหลายเหตุนั้นจึงได้ออกบวช โทษในการมีการครอบครองแล้วก็วัตถุการละล้านหายไปในการแสวงหาคือบางทีคนที่มีบารมีอย่างพิสุนีบางท่านท่านคิดถึงงานอาชีพของท่านที่มีความจำเจสัำตนแล้วก็เหนื่อยเมื่อยล้า หาวันจบไม่ได้เหมือนกับประวัติพระอนุรุษนะฮพระอนุรุษกับพระเจ้ามานามาพรราคคุลสักยะเนี่ยตกลงกันว่าต้องบวชตามสเสด็จพระพุทธเจ้าหนึ่งคนเป็นอย่าง น, อน้อยมานามาก็บอกว่า ตระกูลอืนเขาบวชกันแล้วนะต่ะกูเรยายังไม่ได้บวชน้งองจะบวชหรือพี่จะบวชถต่ต้นเองท่านพร้อมที่จะบวชอันรุศบอกว่าพี่บวชเถิดผมไม่บวชหรอกเพราะท่านอยู่สบายเป็นที่รักเป็นดวงตาดวงใจของแนมะ่ อานามะก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นน้องก็ต้องเรียนวิธีของศีลพี่จะสอนให้แล้วสอนวิธีการทํานาทุกขั้นตอนนะฮะจนกว่าจะเก็บเกี่ยวได้เอเข้าขป้นน้ำขึ้นแสงขายทําอะไรๆต่างๆไปละแล้วก็นับเมืองใหม่ก่ะนับเป็นที่ภายใไงกันพูดไปพูดมากลับมาที่ภายไงกอันอนุรุตจะาชายนุรุตเห็นว่าแล้วเมื่อไรจะเสร็จล่ะเนี่ย เมื่อราจะจบสิ้นการทำนาทักทีตับอกว่บวชจนตายอะนาถาน้าก็จะตายนันมีที่สิ้นสุดหรอกเดี๋ยวเราตายไปแล้วนานั้นคนอื่นก็ต้องทำอีกจ้าชายรุษบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมไม่เอาไม่เห็นที่สิ้นสุดของการงานแล้วก็ไม่เห็นคุณค่า เงินกุลค่าอะไรที่จะได้จากการทำงานไถนาไถแล้วไถอีกนั้นในสุดทั้งก็ตัดสินใจออกบวชก้อนกามมันมองในส่วนที่ก็เรียกว่าอัศธะคือหนอ้ายดีโดยไม่เรามองที่อาทีนะวะคือโทษคือโทษของกามแเราก็ไม่ได้เทียบเคียง ไว้สิ่งนี้เราสมมติเราได้สิ่งหนึ่งมาครอบครองแต้เวลามากเหนื่อยากมากทุกข์ทรมานมากไาเชิญปัญหากันมากมายกายกองแล้วก็ได้ครอบครองเวนี้ถึงนเจ้าครอเจ้าจของเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาเทียบกับการเสวยการเสวยผล ในส่วนที่เป็นรูปวัตถุมันก็อยู่ระยะหนึ่งก็เสื่อมสลายไปที่เป็นเสียงมันก็ไพเราะบ้างไปเราะบ้างเป็นกออลิ่นก็หอมบ้างเล่นบ้างแล้วก็เทียบดูสมมติว่าอาหารที่รับประทานครับเราเห็นว่าอาหารที่รับประทานเนี่ยที่จริงมันเหม็นมากกว่าหอม ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นอาหารมันก็เหม็นมาก่อนในขณะที่กำลังดึงกลุ้อยู่ผมก็ยังเหม็นอยู่ตอนร้อนๆก็รับประทานไปทางร้อนๆก็รู้สึกว่าอร่อยหนึว่วัยระยะหนึ่งคัาจริงเริ่มปรากฏละยิง ไ, ไปต่อไปก็บูดอ้าวก็เห็นเหมือนเดิม รับประทานเข้าไปทีเนี้ยไปกันอยญ่ไปกันใหญ่เลยสู่กระบวนการเหมืนทั้งนั้นเลยวันเอาเฉพาะอาหารอย่างเดียวเนี่ยเราก็เห็นว่าลมเหนื่อยมากวันก่อนไปปาตากถาที่ชะอํากลางคืนนะฮะไปปตาตากถาตอนสามทุ่มตอนตอนทุ่มหนึ่งไว้เรื่องสามทุ่ม ก็มีงานก็มีคนมามากก็เดินขึ้นไปบนกติยาวัดแต่กินอาหารนี่มันมาแรงมากไม่ว่ากินอาหารเมื่อไหร่ล่ะรักษาสี่แปดกันอย่าน้อยมันกินเมื่อเย็น่ะเมื่อตอนเที่ยงแต่ว่าตอนไปถึงนั้นมันก็เกือบเกือบพุ่มแล้ว แต่กริยนยังอยู่ก็เยียงเรียนึกว่าทั้งคืนนั้นแ่ะมันยังไม่หายหรอกรุ่มในเช้าก็มาเติมเติมเป็นกลินก็จนชินอยู่กับกรินเหม็นนั้นจนชินแล้วก็กินอาหารทำกันกลิ่นเหม็นเหม็นข้าวของสัตว์ที่เอามาปรุงเป็นอาหารนั้นเนที่เราก็ไม่ค่อยดคิด ไม่ได้เิดถึงร่างกายเรานั่ยแหละมันถูเราเลี้ยงเจริญเติบโตมาตสิ่งปฏิกูลกลัวในร่างกายเราก็ปฏิกูลขับถ่ายออกมาก็ปฏิกูลออกมาเป็นเงื้อเป็นอะไรก็ปฏิกูลมีช่องไหลเข้าไหลออกดูอีกตั้งเก้าช่องมีปัญหาทุกๆุกช่องนั้นก็คิตถึกายอะ่ะ แต่นควาคิดติกายนี่แหละแต่ว่าท่านคิดละเอียดลึกซึ้งนะหมายความมารับจริงคารทั้งหลายจับสิงเงินทองแก้วแหวนเงินทองต่า ง, อ ง, ง, องๆอะไรมากมายหลายกองมันเป็นของที่เราไม่ได้ครอบครองจริงเราครอบครองเพื่อพลาดจัดแล้วก็คนอื่นก็ยื่อแย่ง มันยัง่งเดแล้วก็พลาดใจเราเองก็เล่นไปในสังสารวัตตามกระแสกิเลสตามกระแสของอารมณ์ประเด็นสั้นๆเนี่ยเราจะเห็นว่าพระตัมมาผ้าห็นโทษในกามคุณทั้งหลายเหตุนั้นจึงได้ออกบวดประเด็นมันก็สั้นนิดเดียวทันเนี่ยในการดัดสินใจ จับหลักให้ได้สักอย่างมันก็มีหลักการในการดำเนินชีวิตได้อย่างน้อยก็ไปนนี่ขึ้นแหละเต้าฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาถึงที่งคืนในสุดนี้ขอความเจรจนิญงอกงามไพบูรณนธรรมโดมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี